เรื่องทางแห่งการได้บุญตลอดกาลโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอ้อมวยพรสริสวัสตรพี่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการขอจุ บ, บังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมประพุติศากนา ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฟในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เรื่งเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิจธรรมะคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรม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 แกตนเองแกครอบครัวแกประเทศชาติแกสังคมแกระสาตนะเสดบต่อไปตามสมควรแกเวลานจะพึงมีในวันนี้ทํามีกาถาที่จะนำมาก่าวมาฝากที่น้องท่านพระตุชนผู้มีความสนใจในวันนี้ท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ก็ดี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 อย่าได้กลัวต่อบุญเลยท่านแต่งร้ายก่อยเข้าใจว่าบุญนั่นคือความสุขอย่าได้กลัวความสุขเลยความสุขมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับลําดาตั้งแต่หยากยาไปจนถึงละเอียดบุญอย่างน้อยที่สุดก็ความสุขทางทางสังคมความสุขของชีวิตทางเนื้อนหนังความสุขอันประกอบไปด้วยความไม่มีโทษของชีวิตของสังคมนี่ มันจะเป็นลำดับลำดับไปอย่างเช่นคำว่าอพยาประชังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเราก็จะเห็นได้ชัดประสุขของโลกสุขของสังคมอยู่ที่ความไม่เบียดเบียนเขาอพยาประชังว่าไม่เบียดเบียนยไม่เบียดเบีย น, ยยนสุขขังโลเกเป็นสุขในโลกที่นีสูงขึ้นมา มันมั น, ม, นมันก็ลึกลงไปกว่าการเบียดเบียนธรรมดาความสุขของโลกความสุขของชีวิตก็มีวา่าการปล่อยวางัสูงสุดนั่นเป็นสุขที่สุดอัสมิมานสะสวินโยเอตังเวปรมังสุ ข, ขังถ้าถอนความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนตัวกูของกูออกเสียได้อัสมิมานะ คำว่าเราตัวเราของเราความรู้สึกเช่นนี้ทอนออกไปจากความรู้สึกเช่นนี้จะได้ก็เป็นสุขอพยาประชังสุ ข, ขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกอสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุ ข, ขังถ้าทอนความสำคัญมันหมายความพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่หวาดตัวเราของเราออกเสียได้ มันเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่ละเอียดสุขที่สดความสงบจากการถือว่ามีตัวเราของเร า, เราการยึดมันถือมันจะวอนนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอืน่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีความสงบของสังคมก็ทำให้สังคมมีความสุขความสงบของคร อ, อบครัวครอบครัวมีความสุขความสงบของจิตใจทำให้ชีวิตนั้นนั้นแหละมีความสุขที่สุด จิตใจจะสงบถึงที่สุดก็คือจิตใจปล่อยวางแกความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปธิวิเวคือปล่อยวางสิ่งที่เขาไปแบกไปยึดไปถือลงเสียได้จิตใจเกลี้ยงเกาา่าสะอาดบริสุทธิ์เป็นสุขเราจะเห็นด้ว่าความสุขนั้นมันมันมันมีเป็นลำดับตั้งแต่ความสุขของชีวิตเดียวความสุขชีวิตคู่ความสุขชีวิตโ ม, ค ม, ตม่ความสุขชีวิตสังคม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 แม้จะพัฒนาโลกไปไกลสักขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของโลกรู้สึกจะขาดลงแพนลงทุกทีนบวันที่จะหาความสุขได้ยากแม้จะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่เย็นเป็นสุขมีรถเก๋งคันละเป็นแสนเป็นล้านคี่แต่ก็หาความสุขยากเข้าไปทุกทีทุกทีคนทุกวันนี้มีสุขยากมากแต่มีทุกขเด้งง่ายนิดเดียว เพียงแต่ไฟฟ้าดับไปเท่านั้นแหละเขาก็ทุกจะบ้าจะล้างประสาจะกินหัวถ้ามันดับบ่อยๆก็ประสาทกินมันทุกง่ายทุกคนนี้แล้วมันก็มีความสุขยากแม้จะมีเงินมีทองถึงท่วมท้น ม, ม, มันก็จะมีความทุกข์ท่วมทับอยดเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นนั่นแหละคือขาดแทนสิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนเป็นชื่อแห่งความสุขไม่ว่าจะปะทนาใดก็ตามยอมปะนาสิ่งที่เรียกว่าความสุขคือปะทะนาบุญด้วยกันทั้งนั้น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 ใน่นี้เราฝากชีวิต จ, จิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าสินกอดวิทักษ์ถ้าเราเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้าจริงๆช่วยเหลือเราได้จริงๆและเราก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอคอร์ดทูเดอะโพสออฟกอดจริงๆทุกคนก็ทุกข์เพราะพระผู้เป็นเจ้าจนก็จนพระพระผู้เป็นเจ้าร่ำรวยก็ร่ารวยเพราะพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นไปตามลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าเราก็หมดสิทธิ์ที่จะต้องมาเป็นทุกข์ นี่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแลว้วก็กระทาสิ่งที่ดีที่งามที่พระพุทธเจ้าที่พระพูทเป็นเจ้าสั่งสอนที่แบบคอมมันเมนออฟเดอะกอดอะไรต่างๆนั้นซึ่งปัญหามันก็จะหมดไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจอย่างนี้ทุก ๆ, ๆุกศาสนาสอนให้คนรู้จักหาความสุขให้เกิดขึ้นคําว่าสุขนั่นแหละเป็นชื่อของบุญพระพุทธเจ้าของเราจึงพูดว่า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 บอกว่าเมื่อใดโลกได้มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอยู่มีผู้ศึกษามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อนั้นโลกจะมีความสุขสุขโตวาพิคเวโลกเกติธรรมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปังหุชนิตายปะปังหุชนโสขายะโลกานุกรรมตายะเทวามนุษยานาง ดูความพิพงหลายเมื่อใดสถาคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตนี่ก็ดียังคงมีอยู่ในโลกในเพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นเพื่อประโยชน์สู่เกือกูลแก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์อยู่เพียงนั้นเพราะเห็นเทืองหลายจึงเทียวจะริกไปเพื่อประโยชน์สู่แก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลาย เธอั้งหลายจงไปประกาศวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตอันเป็นสุขอันประเสริฐเรียกว่าพรมจันท์จงไปแสดงทําให้งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางในที่สุดตั้งแต่ห ย, ยาบยาไปกลางๆถึงที่สุดละเอียดลงไปความสุขเกิดจากการไม่กระทําชั่วไม่เบียดเบี้ยนนี่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทำให้โลกนี่ก็พอจะอยู่ด้วยกันได้แต่ความสุขสูงขึ้นไปอีกด้วยการกระทําคุณงามความดีเอื้อเพื่อเผื่ อ, อแผ่ เกลือเจือจุนพูดดีคิดดีทําดีต่อกันมันก็เป็นความสุขที่ละเอียดลึกลงไปในโลกในสังคมที่มีความสุขสูงสุดที่เรียกว่าปริโยสานกัลยาณังงดงามถึงที่สุดก็คือความสุขชนิดที่ไม่ต้องมีความทุกข์เลยอสัมิมานัสสะวิเดโยเอตังเวปรมังสุขังทอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราออกเสียได้ก็จะเป็นความสุขอันสูงสุด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 จนสั่งงนงกมาแล้ว่ <c oughs> วาถามอาามาว่าทยงไงเนอะจะได้บุญทายัง Case ไงจะได้บุญมากๆได้บุญทางลับพวกง่ายๆว่าแกเท่าแล้วอาดามาก็บอกว่านั่งอยู่ื่อๆ <c oughs> พดเป็นภาษาอีสานว่านั่งอยู่ื่อๆนั่งอยู่ื่อก็หมายว่านั่งอยู่เฉยๆก็ได้บุญแล้วเหลือที่จะได้เก้อ <c oughs> งงว่าบานั่งอยู่ื่อก็ได้บุญไว้บคดยินันตังรั่น คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เคยซ้ำๆกันในสมัยพุทธเจ้าก็มีคนไปถามทีนี้มีบางคนว่าทำอย่างไรจะได้บุญมากๆได้บุญตลอดเวลาได้บุญตลอดกาลคำถามเช่นนี้ในสมัยพระศาตตดาพระพุทธเจ้าก็มีคนไปถามอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่เทวดานะเทวดาเทวดาก็ได้ไปทูลถามพระพุทธศาตตดาว่าชนพวกไหนนอที่มีบุญได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืน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 ชนผู้เช่นนั้นแหละถือว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์ให้พูดสั้นๆอย่างนี้แหละลองไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตานิายสขาถวักเล่มที่สิบห้ากอที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหน้าที่ 46, นนะสี่สิบหกวณนะวโรปะสูดชื่อสั้นๆวณะแปวปาโลปะแปวปู ปลูกป่าสูตรว่าโดยการปลูกป่าทุกวันนี้เราทั้งหลายกำลังมองข้ามแล้วก็พากันทำลายป่ามากขึ้นการทำลายป่านั้นคือการเบียดเบียนเรียกว่าพยาปัะชังทุกขังโลกเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกในนี้คนเราเบียดเบียนมากแสนจะมากนอกจากเบียดเบียนมนุษย์้ดยกันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขมเหง มือใครยาวสาวได้สาวเอาจิตใจเหือดให้เฮยหายจากความเมตตาตาหนีมนุษย์ที่จะอยู่กันฉันพี่ฉันน้องแบบสมัยโบราณนี่ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันค้าอมองกันด้วยสายตาตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการจ้องมองที่จะเอารัดเอาเปรียบกันเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือมนุษย์ได้เบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเอารัดเอาเปรียบนอกจากเบียดเบียน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 ทะเลสาบได้ตายไปทะเลทรายทั้งหลายได้ขยายขึ้นเพราะต้นไม้มันตายไปนอกจากนั้นยังทำลายอากาศทำให้อากาศเสียเพราะว่าได้โซนคาร์บอนเพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกปีหนึ่งปีหนึ่งน้หลายล้านตันทีเดียวเลยนี่นหละคือการเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็ตบหน้าให้การหยุดเบียดเบียนธรรมชาตินั้นก็ยังถือว่าได้บุญ ได้บุญแล้วที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติแต่ถ้าการมาเพิ่มพูนบำรุงทนุนธนอมธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนดังเดิมนี่จะได้บุญขนาดไหนท่านัางห้ายลองคิดดูพระพุทธเจ้าพูดสั้นๆกับเทวดาว่าวันะโรปาอารามะโรปาวันะโรปาเยชนาเซสุการตาปะปัญจะอุทป า, านันจะเยทะทันติอุปสยัญ เตสังธิวาจารโตจะสถาปุญย์ังประวัตติธรรมธาสิระสัมปันาเตชนาสักขามิโนเป็นถ้อยคําที่แพเราะมากสัส้นๆนี่แหละอารามะโรปาวนาโรปาโรปาแปลว่าปลูกปูกปลูกอารามนั้นไม่ได้หมายถึงกุติวิหารไม่ได้หมายถึงเจ้าฟ้าใบละกาเหลืองอลาอารามสร้างโบสถ์สร้าง อะไรกันขึ้นมาท่วมทับแผ่นดินเบียดเบียนธรรมชาติไม่ได้เป็นหมายความว่าอย่างนั้นนะอารามะนั่นหมายถึงสวนป่าไม้ที่ให้ดอกให้ผลส่วนวัน น, นั้นหมายถึงป่าไม้เลยโรปะแปลว่าปลูก ป, ป, ป, ปู่ป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้ผลเต <c oughs> เยชนะเซตุกรากาให้ชนเราได้สร้างสะพาน ข้ามมันที่ไปมาลําบากลําบนทุกวันนี้ก็มีเยอะๆกันแล้ล่ะพูดนี้พูดเมื่อ 2,500 กว่าปีมาลําบากระบบค ม, มนาคมพูดง่ายๆท่ายาให้เข้าใจง่ายจังหวะนี้ก็เรียกว่าพากันปลูกป่าจัดสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศให้มันดีขึ้นอย่าไปทําลายป่าอย่าไปทําลายภูเขานอกจากนั้นก็สร้างหนทางสัญจรไปมาระบบคมมนาคมคอมมิเนกชั่นซิสเต็มอะไรต่างๆให้มันดีมันงามขึ้น ให้มันสะดวกสบายนอกจากนั้นก็พากันสร้างแหล่งน้ำการสร้างแหล่งน้ำการปลูกป่านี่แหละเป็นการสร้างแหล่งน้าเป็นการรักษาอนุรักษ์ต้นน้ำลาทานมันมีความหมายลึกซึ้งมากการขุดบ่อน้ำการสร้างโรงน้ำเป็นฐานที่ว่าปะปัญจะอุทปานันจะเยตทันติอุปเสยังสร้างที่พักอาสัย ชนเหล่านั้นแหละย่อมเป็นผู้มีบุญย่อมเป็นผู้ได้บุญทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาปุญยังปวัตติชนเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนที่วาไปว่ากลางวันรัตโตรัตติงไปว่ากลางคืนสถาทุกเมื่อสถาปุญยังปวัตติจเจริญด้วยบุญได้บุญอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเลยธรรมะท่าสีา่ระสัมปันา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมเยชนาสั ข, ข, าขามีโนโชนเหล่านั้นแหละดำเนินไปสู่สวรรค์นี่ท่านพูดกับเทวดานะแล้วต่อมาคนเราคนไทยเราโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยอาจะมาเกิดมาก็จะยินพ่อแม่พร่ำสอนอยู่ตลอดว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยพา ก, กัน ขุดน้าบ่อก่อศาลาง้อขาผู้เฒ่าผูากตนใหม่ให้เหะห่มเศร้าด้วยหลาเดอ้อเสด็บุญได้กุศลตลอดการคําพูดคํากล่าวเช่นนี้ดังกึกกล้องบนพื้นแผ่นดินที่ลาบสูงยิ่งผ่าอีสานมันแห้งมันแรงทําไมจะไม่ได้บุญในการขุดน้ําบ่อให้คนได้กินก่อศาลาให้คนได้พักผ่อนศาลาที่พักในวัด น, นั่นเขาไม่ได้เน้นไปที่โบสถ์นะเน้นไปที่ศาลาศาลานั้นเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนของเด็กในบ้านเป็นโรงแรมของคนเดินทางเป็นโรงพยาบาลของคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์องค์จ้าที่ยกยาทานนางช่วยเหลือเป็นที่ประชุมของชาวบ้านเป็นที่ทำสังคกิจสังฆกรรมของพระเป็นที่รวมกันทำบุญเป็นสารพัดอย่างอยู่ที่ศาลาส่วนโบทนั่นเรื่องเล็กในทางพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญมั่นหมายอะไรมากนักดอก พระพุทธเจ้าท่านให้อนุญาตให้ประกาศส ม, มุดปี่มาสมมุตดลงอุโบสถขึ้นดิหารลังวาปาสาตังวาอัธโยคังวาหา ม, มิยังวากูหังวาวิหารคือศาลานั้นแหละสามารถลงอุโบสถได้ประกาศสมมุติขึ้นหรือมีเจดันกรอบปราสาสกุตินั่นแหละมีที่มุงที่บางมี่ประตูมีอะไรปิดมิดชิดหรือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นปราศาส ต่มาก็หัมอัทยโยคังอัทยโยคะอัทยโยคะเรือนมุงแถบเดียวผู้เป็นภาษาปัจจุบันก็เรียก ว, ว่าเพลิงหมาแงนเพิงหมาแงนเพิงหมาแงนูภาษาไทยอีสานว่ากระเท็บหมาหอนมุงามุงคาไปแบบพึ่งเดียวนะสามารถประกาศส ม, มติเป็นโลงอุโบสถขึ้นมาได้สุนตุเมปันเตสังโยิสังกัสสะปันตะกลังสังโคอิทันนะมังอัโยคัง อุโสถ้าขาลังส ม, มนเหน ย, ย่าเอซาจะตีประกาศขึ้นมาความพังพร้อมของสองแล้วผมขอประกาศสมมติลงอุโบสถเอาเพิงหมาเงนหลังนี้ก็ประกาศกันขึ้นใช่ได้หรือมิฉนั้นก็บอกว่าหัมมิยังหัมมิยังไปว่าเรือนโลนเลืนเอนที่ยกขึ้นมาไม่มีหลังคาไม่มีฟ้าแบบถ้าเป็นภายาอีานคือห่านมลนะํากอนก็สามารถเป็นลงอุโบสถได้ หรือว่จะเป็นก็อคูหังวานในถ้ำสีมาก็เหมือนกันจะ่บวชนะ้าจะลงอุโบดสถสังฆกรรมมันจะเป็นตระมาสร้างมันเป็นสิบล้านรด อ, อกเป็นล้านด อ, อกขออภัยอจะมาพูดอย่างนี้อาจจะรุนแรงก็ได้ต้องขออภัยต่อท่านที่เข้าใจว่าเป็นการรุนแรงความจริงไม่จะเป็นการรุนแรงพูดให้ฟังตามที่มันเป็นจริงพระพุทธจ้าท่านอนุญาตในประสองค์องค์จ้าประกาศเขตสมมุติสีมาอยู่ใน ที่ไม่คาบเกี่ยวกับในเขตของอุปจาระคาเมอุปจการละคาเมหมายความว่าอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างบ้านบ้านอุปจาระคำหมายว่าอยู่ในเขตใกล้ๆบ้านนะแล้วประกาศอะไรออกมาได้ประกาศสมมุติเป็นสีมาขึ้นมาไม่ให้มันคาบเกี่ยวกันหรอกแล้วก็ประกาศเขตสมมติจีวรวิปวรวาสเขตที่ไม่ ไม่ป่าศจากไกลจีวรแล้วก็ทำํำบวชสถสังฆกรรมบวชน่งบวชนางได้เมื่อบวชเสร็จแล้วก็ประกาศเลิกเพิกถอนขึ้นมาสวดถอดกันขึ้นมาทำกลางสงหมายความง่ายๆก็หมายความว่ายืมสถานที่หนีของทางบ้านเมืองเขาใช้ชั่วคราวไม่ใช่ว่าจะมาทําอยู่ทุกวันวันไหนจําเป็นจะทําบวชนาคจะทําอะไรมาก็ประกาศสมมุติเขตสีมาสมมุติจีวรที่ประวาติจัดการทำสังฆกรรมเสร็จก็ประกาศยกเลิกเพิกถอนแล้วเสร็ เลี้ยมช่นั้นอยู่ในป่าไม่ต้องประกาศซ้ำอาคาเมเกเจพิขเวอัญญาสัมมิตาสตพันตรัศีมาอะยังตถาสมานะสังวาซาเอกุโปรสทราเนี่ยบอกว่าในเขตป่าโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนชั่วเจ็ดพันดอนโดยรอบรอพันดอนหนึ่งมันอยู่7็วา7 7เจ็ดเจ็ดสบเก้าที่ตรงนั้นเป็นเขตไตมา คือเป็นอุโบสถอันเดียวกันเป็นเขตสีมาได้โดยไม่ต้องประกาศสมมติเรียกว่าอาพัทธ์สีมาสีมาไม่ต้องพูกหรือไม่จะ่นนั้นก็ในานา้ําในห้วยในน้องโดยธรรมชาติในทะเลชั่ววักน้ํำสาของบุรุษตรงนั้นเกาะไม่ต้องสมมุติถ้าเป็นเขตสีมามันง่ายไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากเลย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 เป็นทางขุดบ่อน้ําให้คนได้อาศัยมีที่พักชนเหล่านั้นและย่อมมีบุญทั้งกลางวันกลางคืนมีบุญทุกเมื่อเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาบุญอย่างประวัตตติได้บุญทุกเมื่อธรรมท้าสิระสำปนาเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมเป็นผู้ตั้งพร้อมด้วยสินเตชนสาสกกามิโบนคนเหล่านั้นและชนเหล่านั้นและดาเนินไปสูส่สวรรค์นี่ฟําให้ดีพระพุทธเจ้าท่านพูด คนภาคอีสานนั้นพูดนักพูดนะในเรื่องนี้บอกว่าขุดน้ําบอกอราลาหยอขาผูดเถ่าปลูกต้นใหม่ให้งมให้หอมให้เงาเดือดลุเอ้ยล้านเอ้ยได้บุญได้กุศลแต่เดีนน๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินคําพูดเหล่านี้แล้ววัดวาอารามโฮมกระเพือกันที่จะสร้างแต่โบดโบ์โบสสร้างวัดวาอารามขึ้นมาที่เมื่อสร้างขึ้นมาอันหนึ่งก็ต้องไปทําลายอันหนึง่งสมัยก่อนยิ่งหนักไปกว่านี้สมัยอาตามา ย, ยังเด็ก พระนี่แหลยโฆษณาให้ทำลายป่าอย่างดีที่สุดเลยไม่ได้หญ้าเส้นเดียวก็ให้ทำลายถ้าตรงไหนมันเตี้ยโล่งก็จะบอกว่าโอ้ยเตียนเหมือนกับสนามวัดผู้าาภาษาภาษาอีสานว่าแปนเอิดเติรดคือเดินวัดพอดำนาเสร็จพอถึงลมเหนือล่องลงมาก็พระสองฆอง์เจ้านั่นแหละตีกองให้หนุ่มให้สาวลงมาดายหญ้าวัดอย่าว่าแต่ต้นไม้อะไรไม่ได้หญ้าเส้นเดียวจักไม่ให้มีในวัดอวดกันว่าวัดเนี่ยมันเตีย้ยมันแปนส ะ, สะอาดสะอ้านดี คนไม่มาก็แต่งนิทานขึ้นมาเป็นชาดกขึ้นมาให้คนมาไดายาวัดแต่งนิทานเรื่องเหี่ยวเข้ามาเชียวเอาไก่น้อยลูกไก่อยู่ในวัดพอดีลูกไก่นี่มันก็หลบมันหลบเข้าไปตัวเหยี่ยวก็เลยเฉียวเอาได้หญ้าแห้งๆสามสี่เส้นติดขยุ้มเอาออกจากวัดเอาไปทิ้งนอกวัดโดยเข้าใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่แต่ในที่สุดมันไม่ใช่เป็นญยาแห้งต่งอาไปทิ้งนอกวัดเมื่อทิ้งไปแล้วก็ทําให้ญ้าในวัดเนี่ย ติ ด, ต, ด, ต, ดตีนของเหีื่อไปไปทิ้งนอกวัดแล้วมันก็เลยทําให้เป็นการว่าช่วยให้ทำให้วัดนี้สะอาดเอาย่าไปจากวัดโดยเหตุอันนี้สงเพียงแต่ขยุ้มเอาญ่าแห้งๆเขาใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่นั้นเอาไปทิ้งนอกวัดอันนี้สงอันนั้นเหยื่ยวตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกมีเนือในคําพีภาคอีสานเอก็สมิงปนสัมมัญญิกีรดังไดยินมณียังมีในกลัลยาคาับหนึ่งยังมีแล้วตัวนึงว่าเข้าไปอย่างนั้น เข้ามาขยุมกไก่หน่อยอยู่ในวัดเอาหยาแห่งๆไปทิ้มนอกวัดด้วยอานิสงส์งเหตุหาวัดได้แปลนเอาหยาแห่งออกไปแต่ทางกาเลยามใดแล้วตัวนันตาจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวลโลกก็มีเลสตาโบโดุลาสปุริส า, สาทั้งหลายจงมาเสียหญาวัดมันแปลนเออเตอเดอไปทั้งเฮ้คน้งหลายก็อยากจะเป็นเทวดาเหมือนเหยวก็แบกเสียมแบกจอบอมา นี่เราก็ทำมันทำลายป่ากันอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ต้องไปทางป่าไปทำลายป่าทำลายดงเอาไม้หวาล้มไม้ใหญ่ใหญ่มาถ้าทั้นหลายลองคิดดูเธอที่พุทจเจ้าของเราบอกว่าพยาปัจฉังสุขขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกแต่ในขณะเดียวกันถ้าทางตรงกันข้ามบอกว่าพยาปัชังทุกขั้งโลเกความเบียดเบียนเป็นทุกในโลกเดี๋ยวนี้มนุษย์ได้เบียดเบียนโลกเบียดเบียนธรรมชาติจึงเป็นทุกข์มาก ธรรมชาติสภาพแวดล้อมเป็นทุกข์ที่สุดเด่นนี้เกิดปัญหาใหญ่มีการประชุมกันที่ยิบขึ้นมาในโลกต่างๆ inter national conference on o c e n s t a g e comprehension มีการประชุมกันบ่อยๆหลายประเทศที่ละรอยสององประเทศเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นผูดได้ว่าเป็นปัญหาของยุค ก, การพัฒนาเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยตรงปัญหาด้านนี้จะถือได้ว่าเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของโลกที่มีผลกระทบกว้างขวางกระจายไปทั่วโลก คือแม้จะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่เดียวการทางป่าในประเทศลาวดูที่เราไปยืนอยู่ริมฝั่งโค้งควันขม mong ดี๋ยวเนี้จูดป่าเผาป่าประเทศไทยก็นั่นเผากันหมดก่อนแล้วเียนี้ก็มาประเทศลาวแล้วมันไปไหนซึ่งเรืนั้นมันก็เป็นอันตรายแก่โลกไม่ใช่เป็นอันตรายแก่ประเทศลาวประเทศเดียวเป็นอันตรายไปทั่วทั้งโลกเลยพผะมันแผ่กระจายไปถึงมนุษย์ทั่วทุกคนทุกแห่งปัญหาเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรงก่ดิ เรามาสังเกตดูปัญหาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันเอยทานหินเออยแก๊สเออยอะไรต่างๆปัจจุบันการเผาน้ำมันที่คูเวตที่อิรักเผาเน่ะส่งควันกระมงขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั่นมันเป็นอะไรประเทศไทยจะก็จะว่าไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากนี่ได้รับด้วยกันทั่วโลกควันจากไฟที่มันเผา ควันจากรถยนต์จากโรงงานต่างๆปล่อยออกไปเป็นประจําทําให้มีคาร์บอนเพิ่มขึ้นในบรรยากาศของโลกปีหนึงต่ห้าพันสี่ร้ยล้านตันการตัดไม้ทํำลายป่าก็ทําให้คาร์บอนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นปีละประมาณสองพันหร้อยล้านตันนี่มากเท่นานั้นนะสองพันหร้อยล้านตันนี่ไม่ใช่บาๆเมื่อรวมกันเข้ากับคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกทั้งควันจาก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 ทางชีวิตดุนยาภาพทางธรรมชาติเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายกําลังหวั่นกลัวกันมากที่สุดเดนนี้ก็คือออกไซด์กับมถันและไนโตรเจนไปผสมกับความชื้นในอากาศเจอเป็นกรดกับมถันกรดในตรกขึ้นเมื่อมีฝนตกลงมามันก็มากับฝนเรียกกันว่าเอซิเทรแปลงง่ายว่าฝนน้ากรดเมื่อมีลมมากกาพัดพาไปตกได้ในที่ไกลๆตกลงตรงไหนก็มีก่อความเสียหายที่นั่น ทำลายทั้งธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าตายไปเองไม่มีใครทางเลเดี๋ยดิมันตายมันเหงามันเช่ามันเดียวมันไปเพราะว่าฝนนี่มันมีกดไปตกใส่ตึกร้ามบ้านจองอะไรมันกัดกอนไปหมดกุ้งปลาในทะเลสาบตายไปเดี๋ยนี้นับวันที่ยังไม่มีปูมีปลาประเทศไหนที่มีทิศไทยอันนี้น้อยลงก็เป็นบาดเป็นแผลประเทศไทยปลาเป็นแท้กันเป็นแท้วแล้วก็เริ่มตายมากขึ้นเพื่อพันธัญญาหารที่มนุษย์เพาะปลูกชิ่งต่างๆเหล่นี้ถูกทําลายจากฝนอันนี้ตกลงมาเท่าไหร่ก็ไม่งาม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 แฝงเศชวนนี่งามบัตรนี่ว่างเปล่าไปแล้วเก้าสบเปอร์ซนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วป่าในเขตร้อนในเข ต, เขตบ้านเรานี่ลดน้อยเพราะการโค่นป่าปลูกมันลำแปลงทําการเกษตรทําทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ, บ้างตัดไปขายบ้างทําฟื้นบ้างเดี๋ยวนี้ป่ามันก็หมดไปทะเลสาบก็เลยตายคือไม่มีปูปลาอยู่ทะเลทรายก็ขยายกว้างขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งหลายลองคิดดูเถกว่ามันเกิดปัญหาเดี๋ยวนี้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 มันตายหมดมีแต่น้ํำเฉยๆปัญหานี้กระทบกระเทือนธรรมชาติและเป็นปัญหาระหว่างประเทศบางทีฟ้องกันนะแคนาดาได้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าปัญหาความพิที่เกิดขึ้นในแคนาดา น, นั้นเกิดมาจากรถจอนและโรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐเสียตั้งครึ่งค่อนท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอดนอกจากปัญหามาลภาวะโดยเฉพาะฝนน้ํากรดนี้แล้วก็ปัญหาสําคัญยิ่ยงอีกเรื่องหนึ่งเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงทําให้เกิดคาร์บอนออกไซด์ควันที่ปล่อยกันไปนั้น มันทำให้อุณหภูโมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็ทําให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นทุกวันนี้ร้อนมากสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นศูนย์จุดห้าเซนเซียสในช่วงสิบปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเองหนึ่งเซนเซีสซึ่งจะทําให้โลกมีความร้อนสูงยิ่งกว่ายุคสมัยใดตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต่อไปเมื่อความร้อนของโลกได้สูงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดความสม่ำเสมอสมดุลกันน้ำแข็งในขั้วโลกก็จะละลายลงมาน้ำในมหาสมุทรจะเพิ่มความสูงขึ้นทีเมื่อมันร้อนมากๆอากาศก็ไม่สม่ำเสมอย่อมมีลมพายุพัดแรงเมื่อพัดแรงแล้วก็ไม่สม่ำเสมอที่พุทธเจ้าบอกว่าตาวายันติวิสมังปริวัตันติลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอมันก็จะพัดก็มันไปทั่วทีนี้มันจะเกิดคอน FLICT เกิดวิกฤตการณ์เอกอันหนึ่งก็คือว่า บางถิ่นร้อนมากขึ้นแต่บางถห่นก็จะหนาวลงบางถิ่นจะมีน้ํามากขึ้นบางถิ่นจะแห้งแรงลงทั้งลมและฝนก็จะเปลี่ยนแปลงบางแห่งทําลายป่ากับฝนตกมากเห็นไหมจังหวัดสกนลคนครเมื่อปีกายพานมาจังหวัดอื่นแรง5ชั่วโมจังหวัดสกนลคนครฝนตกเลยหมูลืมตามไม่ได้คนมันก็จะบอกโอ้ยแหทงทางตัวได้แหงตกบาดนี่ไผว่าทางป่าฝนโบตกขนาดเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่านั่นมันเสียสมดุลแล้วที่เคยแ้งจะท่วมที่เคยท่วมจะแรงนี่เป็นอย่างนั้น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 ในสารอเมริกาเขาบอกว่าในปี 2,568 ร้ฐเมสเซจิเซสซึ่งเป็นรัฐชายทะเลมีขนาดค่อนข้างเล็กในสหรฐจะสูญเสียเนื้อที่เพราะถูกน้ำทะเลท่วมหมดไปโอพูดไปเท่าไหร่ยิ่งมากขึ้นเอาไง่ายๆเลยว่าป่าหดหายทะเลทรายก็จะเริ่มขายายขึ้นขายายขึ้นในที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะตายให้ศูนย์พันไปปีละหลายพันทะเลสาบตายภูมิอากาศวิปริตน้าร้อน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 หรือเมื่อมาก็กลายเป็นน้บาบาไหลท่วมเกิด อ, อุทกภัยอย่างยิ่งใหญ่เหมือนบ้านกระทูนบ้านเรารมแปลปวนพายุร้ายยิ่งขึ้นลักษณะเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผ้าผู้ใดปลูกป่าวันอโรปาอารามาโรปาปลูกป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้พ้นให้ร่มให้เงาปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแหล่งน้ําปะปัญจอุทปานันจะ สร้างแหล่งน้ําสร้างโรงน้ําเป็นทานเย่ถาทานเตี่ยวปัสยังให้ค้นก็ไปอยู่อาศัยเตสั่งที่วาจารตโตจะสถาบุญย์ยังประวัติติเขาจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคื น, นได้บุญทุกเมือ่อแม้พูดถึงตรงนี้แล้วก็ฟ้าแจ้งจางปางทาไมเล่าจากไม่ได้บุญเพราะทุกวันนี้คนเบียดเบียนธรรมชาติมากถึงขนาดนี้การที่เราจะหยุดยังการเบียดเบียนธรรมชาติแล้วมาช่วยกันส่งเสริมทนุถน้อมปลูกเรียน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 รักษาดุนยภาพรักษาต้นน้ำลำาธารเอาไว้อดัมานี่มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้การทําลายป่าหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปในจังหวัดสกลนครโซนที่อาัมมาอยู่ในอําเภอคาาําตะก้าอําเภออากาศอํานวยอำเภอบ้านม่วงอําเภอเจริญสินอําเภอพังคนอําเภอวันนอนนิ่วาดเหล่าเนี่ยตลอดอําเภอสว่างแดนดินไม่มีป่าดิบดงดําซักดงหนึ่งถูกทําลายตั้งแต่ น, นายทุนหน้าเลือดลงไปต่อมาก็กเกษตรกร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 เพียงเมฆไม้ฉ่ำชื้นในพื้นป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องกล้องแนวภัยเพียงเพื่อให้ผองมวลนิกสถิตทำท่านทั้งหลายได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอาตมาก็มีความสุขใจแต่ทำยังไงได้มันไม่มีดินแทบที่อาตมาอยู่เนี่ยมีแต่ดินลูกหลังต้นไม้ก็ไม่ค่อยเขียวค่อยงามต้องเอาใจใส่ให้น้าต้องเอาใจใส่บารุงเอาพวดินทอบซอยมาใส่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 ต้องเป๊ะเลยกับที่พระพุทธเจ้าสอนบอว่าผู้ใดปลูกป่าปลูกอาลามสร้างแหล่งน้ำผู้นั้นจะได้บุญทั้งกังวันกัางคืนคือได้ความสุขมาให้แก่โลกแก่สังคมอาดมา ก, ก็เลยซื้อซื้อที่ป่าสงวนข้างๆวัดซึ่งเขาทำลายหมดแล้วไร่ละหมื่นบาทลับคืนมาเดืนี้ได้ที่เพิ่มขึ้นห0สไร่ปลูกต้นไม้ต้นลายพพาณีปลูกเเพาะต้นตะเคียนไว้หลายพันต้น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 เกมหอมลอมลิฟต์เก็บเล็กประสมน้อยร้อยมาทีละเล็กทีละน้อยยอมให้มาก็มาซื้อเดนี่มีที่อยู่สามสิบไล่อยู่กลางวัดที่เราซื้ อ, ซ, อซื้อไปตรงนี้คนนี้เขาไม่ยอมขายเขาจะขายสี่แสนบาทปลาตะวันแห่งชาติสามสิบกว่าไร่อาตมาจนใจมองดูด้วยตาปิดๆอยู่ยังคิดอยในใจว่าทําไมเนาะทาอย่างไรคนกรุงเทพที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้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 มันก็ได้บุญอยู่ตลอดคนก็จะได้พึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมูมนุษย์ให้ความชุ่มเย็นให้ฝนให้ฟ้านอกแกงนั้นยังให้หมู่วิหกนกตามิขับปักสีหมู่เนื้อทั้งหลายได้อาศัยมันก็ยังได้ดูดซับเอาต้นน้ําลําธานเอาไว้แต่ทาไมคนไม่คิดคําสั่งสอนของพุทธเจ้าคํานี้ไม่ค่อยได้ยินถึงหูผู้คนที่มีเงินมีทองเขาได้ยินแต่ประโคมข่าวว่าสร้างโบสถ์เป็นมหากุศลตามไปเจ็ดร้อยชาติอาดมาอยากจะชักชวนใหม่ ที่น้องชาวกรุงเทพมหานครผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลขอให้ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกดูเถิดสังยุตติกายสขาถวักเล่มที่สิบห้าวันะโลประโสรข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหน้าที่สี่สิบหกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าห่างได้มาซึ่งบุญคือการปลูกป่าคือการสร้างแหล่งน้ํารักษาดุลยภาพธรรมชาติช่วยกันลองไปเปิดดูพระไตรปิฎกสองหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหกหน้ามหายักษ์สี่สิบห้าเล่มอาตามาบอกไว้ ช, ชัดๆอย่างนี้ เล่มที่สิบห้าข้อที่หนึ่งร้ยสี่สิบหกหน้าที่สี่สิบหกไม่ใช่อาตามาว่าเอาเองทาย่งการได้บุญตลอดเวลาเด๋ยนี้มีที่อยู่สามสิบไร่ป่าสงวนแห่งชาติทำยังไงจะได้เวนคืนมาให้แก่รัฐถ้าท่านไม่คิดอะไรมากจนเกินไปว่าซื้อมาแล้วจะได้บุญหรือไม่เดี๋ยวรัดมาเอาคืนรัดมาเอาคืนก็คือการมาเป็นเจ้าของร่วมกันรัฐก็คือพวกเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครมีกันเหลือใช้มีส่วนเฟิร์สส่วนเกินจะเจียดมาร่วม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 เชื่อไม่กี่ปีมันก็จะผุจะพังวัสดุเสื่อมคุณภาพยิ่งทุกวันนี้ฝนเป็นกดมากๆตัดตูนกันหินเสื่อมได้ไง่ายแล้วมันไม่มีลูกมีดอกมีหมากออกมาเหมือนต้นไม้ไม่ว่าสร้างโบสถ์หลังหนึ่งอีกสิบปียี่สบปีข้างหน้ามันออกลูกมาเป็นโบสถ์เล็กปอดน้อยเป็นกุฏิวิหารเป็นลูกเป็นร้านของมันมันหาไม่ได้แต่ต้นไม้เนี่ยโตมาแล้วมันยังหล่นออกมาเป็นลูกเป็นดอกเป็นหมากเกิดมาเพิ่มเติมเลยดูที่พุทธมนตร์รัฐบาลสร้างพุทธมนตรคนงานไปปลูกจ้างเมาใช้เงินมาก มีใครสักกี่คนจะมองเห็นคุณค่าเสียเงินไปกอบเสียไปอย่างเสียไม่ได้อย่างนั้นแหละคนที่ให้ไปรัฐบาลต้องใช้เงินของหลวงก็คือเงินของพวกเรามาช่วยกันทําแต่เดี๋ยวนี้ไปดูเถิดเมื่อต้นไม้ร่มรื่นที่พุทธมณฑลทุกวันนี้ใครไปเชิญให้ไปพักผ่อนไม่มีดอกพากันไปเต็มละลอนไปพักใต้ร่มเงาป่าดูอังสนางต้นเงาเมฆไม้ในพุทธมณฑลนันเต็มเวลาปลูกไม่มีใครอยากจะปลูกรัฐบาลต้องชักชวนรัฐบาลต้องจ้าง บัดนี้เราก็เห็นแล้วว่าได้บุญไหมล่ะพุทธมณฑนได้บุญตลอดเวลามีใครบ้างว่าแมมันร้อนเหลือเกินอยากจะไปซ่อนอยู่ในโบสถ์อยากจะไปนอนในโบสถ์เอาพาพเอพาลูกพาเมียพาลูกพาล้านไปนอนอยู่ในโบสถ์กันเถอะสักคืนสองคืนกลางวันขับรถจากกรุงเทพไปหานอนโบสถนอนโบส น, น, นี่มันเย็นมีไหมลนะ่ะไม่มีโบสนั้นมีประโยชน์อะไร โบได้มีประโยชน์บวช น, น่าบางลงอุโบสถสังกกรรมดังอาตมากล่าวแล้วว่าบวช น, น่าที่ไหนก็ได้อุโบสถสังกกรรมตรงไหนก็ได้ถ้าทําให้มันถูกต้องตามพระวินยัยลองไปเปิดดูอุโบสถขันตะกะพระไตรปีดกเล่มที่สี่แห่งวินัยปีดอกก็จะรู้จะโฆษณาโหมกันยังไงให้มันสร้างมาสร้า ง, าางแล้วมันก็ทําลายที่นีการปลูกป่าการสร้างแหล่งน้ํานั้นนะ่ะเป็นการดีที่สดุดจะได้ช่วยให้โลกเย็นลงจะได้ช่วยลดมลภาวะพิษทางอากาศลดลง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 เป็นพื้นนาของเขาอยู่ข้างๆว่าอาตมานี่สี่แสนบาทเขาบอกว่าให้ให้ให้ดาวก็ได้สองแสนห้าแล้วก็ค่อยพอนส่งสักสองสามปีอาตรรมานี่มองเห็นและเสียดายมากว่าต่อไปนี่น่ากลัวนายุนจากต่างชาติจะมาซื้อซะก่อนเขาไม่กลัวหรอกป่าสงวนเพราะว่ามีคนน้ำลายหมดแล้วเขาอาจจะไปซื้อเอานักการเมืองในรัฐสภาให้ออกกฎหมายป่าเสื่อมทรมนี้ออกมาไปไวก็ได้ อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงเนาะเราจะได้เงินซื้อคือนมาสี่แสนบาทเนี่ยเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้มันต่อกันเป็นพืชเราจะได้ตรงนี้มันําๆเราก็จะได้ทําเป็นแอ่งเป็นแหล่งน้ําเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื้นในพื้นป่าเพียงธาราเจิญขังทั้งเยน็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องกล้องแนวไผ่เพียงเพื่อให้ผองมวลมิตสถิตทำอาตมาคิดอย่างนี้เดียวนี้ปลูกต้นไม้ก็เยอะแล้วกําลังจะเขียวแต่ไม่มี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 นกตาเวาเววได้นกยูงร้องอยู่บนยอดไม้บางคนมาในตกใจนึกว่าเสียงอะไรนกยูงเดี๋ยวนี้กําลังไข่ ừ, ไข่อยู่ในดินไข่อยู่ใต้ต้นไม้เมืก็มาอยู่ในวัดเพียงแค่นี้ถ้ออนนอกวันมันก็ตายนกยูงเอ้ยนกตาเเวเอยนกเขาเอ้ยอะไรต่างๆแม้แต่นกเป็ดตัวเล็กๆเรีเเยมาอยู่สระน้อยๆอาดมาก็มีความรู้สึกว่าทํำยังไงหนาะเราจากได้ที่นี้สร้างแหล่งน้ําขึ้นมาให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่อาศัยและปูป่า ก็อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายวันนี้คือหนทางแห่งการได้บุญการปลูกป่าไม้การสร้างแหล่งน้ําที่พระพุทธเจ้าว่าเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาบุญอย่างประวัติติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อมแม้จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาก็ทําลายหมดแล้วเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เป็นนาเราซื้อคืนมาปลูกเขืนอย่าไปกลัวเลยว่ารัฐบาลจะเอาเขื่นเอาคืนก็คือคืนมาให้เรานั่นแหละเราก็เป็นเจ้าของร่วมกัน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 แม้เราได้ดินมาปลูกต้นไม้เนี่ยถวายแก่แผ่นดินถวายแก่นายหลวงถวายแก่พระบรมราชีีหนะ้าถวายแก่แผ่นดินสยามของเราเอาเื่นมาก่อนมาปลูกป่ามาสร้างแหล่งน้ำรัฐบาลจะมาบอกอาตมาภาค น, นี้ตรงนี้เป็นป่าสงวนอาดมาจะไม่เสียใจเลยและจะไม่เสียดายเลยถ้าหากได้เขืนมาขอให้ได้ปลูกป่าเสร็จได้ทำแหล่งน้ำเสร็จรัฐบาลจะเอาเืนก็เชิญเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะบัตรนี้เราได้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 บัดนี้อา จ, จะมาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะชวนกันมาทำบุญในการอนุรักษ์ค้มครองธรรมชาติการจะจัดผ้าป่าต้นไม้ถวายผ้าเอาไปปลูกในวัดนั้นมันเหมือนกับทำเล่นนะ นั่งรถบาสรถทัวไปจากต่างจังหวัดไปรับต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วขี่กลับคืนมาปลูกที่วัดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนจะคุ้มกันเลยไม่เดี๋ยวนี้วัดมาอารามรายงานต่อเจาา้จาคณะตำบลเจ้าคณะอําเภอเจาา้จาคณะจังหวัดปีนี้ปลูกไม้สองพันต้นปีหน้าสองพันปีต่อไปสองพันล่าสปีเข้าเป็นหมื่นต้นแต่ที่ดินของวัดไม่ได้ขยายไปปลูกตรงไหนในที่สุดมันก็เลยเป็นเปเปอร์เวิร์กเป็นการทํางานกระดาษล้อเล่นกันไปไม่มีความจริงจังจริงใจอะไรจริงๆ อาดามาปลูกป่าที่นี่เยอะเพาะต้นไม้ไว้คนมาขอให้ไปหนักนะเข้าทางการนะครัาท่านศึกษาที่การอำเภอได้ป ก, กูกเียนไปแล้วเชี่ยนจนไม้มาทาม2งมครั้งสครังบบปลูกกี่ต้นเนื้อที่กี่ไร่มีจ้ามุ้อะไรไ ด, ได้รับการสนับสนุนอะไรอาดามาอยู่ในปฏิสัหนหะลีหน้าพรรษางดอาหารไป20วันไม่พูดไม่จาพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณเรียกว่าปล่อยวางอุปธิวิเวกมันสหน่อยวันข้าวก็ไม่กิน ยอดไม้ก็ก็ น, นํามาถึงสามครั้งอาตามาก็เลยตอบไปสัส้นๆว่าไม่ได้ปลูกเพื่อจะจําไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับว่ากี่ต้นถ้าท่านอยากรู้ก็เชิญมานับดูเองเพราะระยะทางจากอําเภอมาวัดมันสิบสองกิโลทําไมท่านไม่มาดูเองกันบ้างเพราอาตามาไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับไม่ได้ปลูกเพื่อจะจําจําไม่ได้เพราะมันปลูกมากเราก็ไม่กล้ามาได้โปรดเกษียณไปแล้วเล่าให้ฟังเดียวนี่เราทําอะไรพอเพียงแต่จะถ่ายรูปปลูกต้นไม้พอได้ถ่ายรูป เพราะได้เสนอเจ้านายเพราะให้เงินเดือนฟันขึ้นพูดอย่างนี้ไม่อายใครเลยพูดความจริงจะต้องไปอายใครทำไมอาตมาจึงบอกว่าอย่าไปทำเทียงเล่นๆก่อให้เข้าใจวันดีมันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อต้นปีอาตมาพาพระเนรสี่สิบรูปเดินทางขึ้นภูผ่าน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 อยากจะเสนอวันหน้าจะให้เงินเดือนแก่พวกนี้แพงขึ้นกว่านี้หน่อยจ้างเขาวันละเจ็ดสิบบาทแปสบาทเขาทํางานอยู่ตลอดอาดมาอยากจะคิดพิจารณาใหม่หน่าจะให้เขาวันละร้อยี่สิบาทร้อยห้าสิบาทนูน่นแล้วก็อบรมให้ดีๆนิมนต์พระสงฆ์เจ้าไปอบรมฝึกฝนด้านจิตใจเขาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเลิอกอบายามุกอาดมาเห็นเขาทํางานกันขำมาขำเย็นไปเดินทางไปที่ภูป้อมภูปอภู ผ, ผพาพางภูผาแดง เขาพาอาตมาไปเจ้าหน้าที่เหล่านี้คนงานลายวันเหล่านี้เดินทั้งวันอาตมาก่อนเดินไปกับเขาพ่อได้ยินเสียงต้นไม้ล้มอยู่บนยอดเขาเขาวิ่งเลยทิ้งอาตมาไว้ก่อนเขาวิ่งเขาเป็นห่วงต้นไม้ของเขาเขารักต้นไม้ของเขาแสดงว่าเขามีอุดมการเขารักป่ารักดงของเขาแล้วแต่หน้าเสียดายเงินเดือนเขาน้อยนิดเดียวเจ็ดิบาทแปดสิบาทไม่เท่ากรรมกรกุลีธรรมดาเขาทํางานอย่างสูงส่งเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง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 อาตจจมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจถึงขนาดนี้ดอกตังแต่เป็นเด็กๆพ่อและแม่พากันขุดบ่อบ่อน้ําหนทางผ่านานาเรียกว่าสร้างกกพอกวันๆหนึน่งมีแต่เวียนมาจอดวันละสามสิบสี่สิบยี่สิบคันผ่านไปผ่านมามาตักน้ําพักวัวพักเวียนแล้วเขากินน้ําแต่ละคนแล้วเขาอาบน้าเขาพูดภาษาทุกขอให้ได้บุญหลายๆเด้อเจ้าของนาเจ้าของน้ําสร้างน้ําบ่อแล้ว มาคิดดูทุกวันนี่แม่พ่อแม่ของเราพาเราทำบุญมาตลอดพอพอดำนาเสร็จพอเกี่ยวข้าวเสร็จพอและแม่ผาลูกเตา่าไปรื้่บ่อบอกว่าจังน้อยนี่เกียนจะได้มาพักผ่อนเขาจะได้มาอยู่มากินแขกไปไทยมาเราจะได้บุญตลอดเวลานั้นลูกนะแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ทำ <c oughs> ไม่มีใครไม่รู้จักสร้างกบเพาะสมัยก่อน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 พอจะเจียตมาซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกป่ารักษาแหล่งน้ารักษาดุลธรรมชาติช่วยกันก็ขอให้ได้คิดได้พิจารณาเถิดความสุขความสวัสดีจะเกิดมีแก่โลกแก่แผ่นดินแก่สังคม ร่วมกันดังกล่าวแล้วสุดท้ายการกล่าวทำมิกถา น, นี้สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมความงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวิในแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอดวงใจทุกๆดวงจงสถาปนาจงสถิตมั่นอยู่ในอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องประกอบด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยใจคะด้วยปัญญาอริวัตริยวัติธรรมเรา